ถ้าบ้านไต้ทุนสูงเหมือนกับสติประธานสี่แต่ปัญญานั้นเหมือนแพเหมือนเรืออยู่เหนือน้ําแต่บ้านมันก็ยังอยู่ในน้าอยู่นะแต่มันสูงกว่าน้ําหน่อยถ้ท่วมจริงๆมันก็ขึ้นถึงเหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นสติเหมือนกับบ้านใต้ทุนสูงปัญญาเหมือนกับแพกับเรือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีทั้งสองอย่าง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 ในงนั้นในช่วงที่เราเดินจงกลมสร้างจังหวัดเราทําทิงท้งๆไปไงนะแลยวไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปบีบไปคั้นไม่ต้องไปกดไปดันให้มันเป็นหรอกแต่ทําไปแล้วก็ให้รู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปรู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปรู้สึกตัวแล้วก็ทิ้งไปใจของเรามันก็จะไม่เข้าไปผูกพันอยู่กับความคิดแต่ถ้าว่าเราทําแล้วไปยึดเอาไวใ้ให้มันรู้ตลอดนี่มันไม่ได้เหมือนเราไปแบกเอาไว้หนักใช่ไหมรู้เราทิง้งรู้เราทิง้งกลับมารู้ใหม่เสมอ